จิตที่ได้ชำระด้วยดีมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่เงียเงียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคืนแล้วกิจทั้งๆ ท, ที่ไม่รวมไม่สงบลงเป็น สมาธิก็ตามเมื่อกำหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจนพูดอะไรไม่ถูกแล้วความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับอะไรรัสมอมันแผ่กระจายไปหมดสิ่งที่มาก กระทบทำตาทาหูทำเลี้ยงทำจมูกทงกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นั้งค้างที่จิตไม่ได้รวงไม่ได้เป็นองค์อย่างสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ชำระด้วยดีอยู่แล้วแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลย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 ไม่เหมือนกระแสของไฟกระแสของไฟมีที่สิ้นสุดมีระยะใกล้หรือไก ล, ล, ก ล, ลตามกำลังของไฟเช่นแสงสว่างของไฟฟ้าถ้าแรงเทียนสูงก็สว่างไปไกลอย่างเทนหรือแรงเทียนต่าก็สว่างไปใก ล, แ ล, แกกใกล้แต่กระแสของจิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะใกล้ไกลไม่มี ก็เหมือนกับว่าไม่มีการสถานที่นั่นเองมันครอบไปได้หมดไกลก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือไกลมันพูดไม่ถูกเห็นแต่วความรู้นั้นเด่นครอบไปหมดความเจ็จักระวานยอดโลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่อํานาจของจิตกระแสของจิตที่ชำระ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 เนื่องจากสิ่งนั้นไม่ใช่สมมุติแล้วเป็นมิสัยของผู้มิใช่สมมุติรู้เรื่องความมิใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนำมาพูดอะไรไม่ได้นี้โลกเต็มไปด้วยสมมติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นมาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยกคาว่านิพพานขึ้นมาพูดนั้น เรื่องของกิเลสสามัญคือกิจสามัญธรรมดาเราจะต้องคาดว่า น, นิพพานเจ้าต้องว่างขวางเบื้งว่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดีไปดียังจะคิดประโยชนมีแต่ผู้คนที่บริสุทธิ์เดินกวักแกกันดูนะอยู่ในพระนิพพานนั้นเท่านั้นนานทั้งหญิงทั้งชายเพราะเป็นความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันมีแต่พวกที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดินกวักแกกัน ไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบายพาักถูกเจริญอะไรทําน่อนั้นไม่มีความโศกเศร้าง้อยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันธุ์เหมือนโลกสมมุติเราน่ะความจริงหาได้สร้างไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่บริสุทธิ์เดินกวัฝ่ายหรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความเกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนนั้นเป็นสมมุติอันนึน่ง แล้วมันก็เข้ากับปิมุตต์คาว่านิพานแท้ๆไม่ได้การที่จะนํามากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็าตามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดียดก็าตามแต่ไม่สามารถที่จะนาออกมาพูดได้ในทางสมมุติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหมด พตามธรรมดาจิตก็คอยแต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดอยู่ภายในตัวอยู่แล้วพอแยกออกมาอะไรก็จะต้องคาถไปตามความร้นเบาที่ไปกินเม่จั ง, จงไม่แน่ไม่นอยมันเสมอไปนั่งก็อะไรยม ก, กที่ถูกกับภาษาดิบว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ เพราะพญมกนั้นเป็นปุถุชนพระสารีบุตรเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจ พ, พระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังแม้เช่น น, น, น, นั้นก็นึกถึกในในตําราที่ท่านเขียนไว้นั้นพญมกยังไม่ยังไม่ปรากฏว่าได้สําเร็จนพรผลไม่ผ่านอะไรแต่ต้องมีเหตุมีผล พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหากไม่ไม่มีความหมายอยู่ในการแสดงบ้างแล้วพระองค์จะไม่แสดงเลยนี่เป็นอะไรคติของพระพุทธเจ้าหรือทวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาต้องมีเหตุมีผลคือมีสิ่งที่จะพึงได้รับสําหรับผู้ฝัง จึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่ส่งแสดงนี่เป็นเรื่องขามพระพพธิจ้าที่พร้อมตัยเหตุด้วยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปล่าๆเหมือนโลกทัวท่วๆไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่พูดกับพญมกรับสั่งอะไรพญมกทักลืมๆกนันน่ะมันนานแล้วจนลืมว่า มีใครได้ผลอะไรบ้างในระยะนั้นหรือว่าพญมพามก็ได้มันสงสัยนะมาถือแต่ตอนที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญพระองค์ทรงแสดงพระอรหันต์เป็นรูปหรือทึงตายแล้วสูญพระอรหันต์เป็นเมทนาเป็นสัญญาเป็นตั้งขานเป็นวิญญาณหรือพระอรหันต์เป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อย ไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความลงแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูปก็สลายลงไปเวทนา ท, นาทาัญญาสังขาหมื่นญาตไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมติเป็นไปตามส ม, มุตอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิ ม, มุตติคือความบริสุทธิจะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนําเรื่องของความวิ ม, มุตติธรรมห ร, หรือวิ ม, มุตติจิตเข้ามาคล้าคล้หรือมาบวกกันกับ ขันห้าซึ่งเป็นเรื่องของสมมติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของจิตละเอียดจนอัศจรรย์แม่ขณะที่ยังมีสิงพัวพันอยู่ก็แสดงของอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของตน ยิ่งสิ่งที่พัวพันหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนั้นแลเป็นดวงธรรมหรือธรรมนั้นแหลคือจิตจิตนั้นแลคือธรรมธรรมทั้งแท่งก็คือจิตจิตทั้งดวงก็คือธรรมที่นี่เราจะสมมุติอะไรไปไม่ได้เป็นธรรมล้วนแล้วภายในจิตแม้ท่านจะครองคลองร่างหรือ ธรรมชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้วขันก็เป็นขันอยู่อย่างพวกเรา เ, ราเรา ท, า ท, าท่านนี่เองใครมีรูปลักษณะมีกิริยามายาตเป็นมีนิจจหลิตริสัยไงก็แสดงออกตามหลิริสัยของตนตามเรื่องของส ม, มุดที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของนิมมิตนั่นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถาวรโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตาม แต่นี้ไม่ใช่โลกก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นอกจากว่าโลกโล ก, กุตระเหนือโลกไปเสียเท่านั้นโลกโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกท่านถึงทราบได้ในเรื่องความสืบต่อของจิตเมื่อชำระเข้ามาโดยลำหนับลำหนับเห็นเงินต้นเงินปลายเห็นความแสดงออกของจิต ว่านับไปในทางใดยังมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ท่านก็ทราบทราบได้ชัดเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปลดเปลื้องสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากจิตโดยลำหนับเวลามันหนาแน่นภานจิตมืดดาไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไร แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องปรกพัน์คืออะไรเลยถือเป็นอันเดียวกันหมดทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองค่าเข้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำระสัสามไปโดยลาดับลาดับค่อยมีทางทราบได้โดยลำดับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อย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 แต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงทราบว่าเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติเกิดเป็นอะไรบ้างแม้ปัจจุบันมีความสืบต่อเกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างเพราะมันมีมากต่อมากี่เอียดในระยะ น, นั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบได้เหมือนกันต่เมื่อทรงบำเพ็ญจนกระทั้งจัดสรุ้เป็ น, ท, ปปนทำทั้งดวงขึ้นมาที่ประเทศไทยแล้ว จงทราบได้ชัดเมื่อทราบชงทราบได้อย่างชัดเจนจึงนำเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศทำสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ทำประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็วก็ท่งเรีนยนญาณทราบดำที่ท่านทราบดาบ ท, ทั้งสองและเบญจวคีทั้งห้าเป็นต้น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 พระองค์ท่านแสดงไว้8 0 0 0 0ี่พันพระธรรมขันธ์เหล่านี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเป็นจขันธ์ของเรามีใจเป็นตัวประธานสาหรับรับผิดชอบชั่วดีทุกสิ่งทุกอย่างทำแม้จะมากถึง8ป0 0 0พันพระธรรมขันธ์ก็ตามแสดงไปตามอาการของกิจอาการของกิเลสอาการของธรรมว่เป็นไปอย่างไรบ้างใน บรรดาสัตว์ที่มีนิสัยต่างๆกันจึงต้องแสดงออกอย่างกว้างขวาง 80,000 สีพันประธรรมขันเพื่อให้เหมาะสมกับจดิตนิสัยนั้นๆจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติและแก้ไขตนเองในวาระต่อไปและควรจะทราบควรจะแก้กิเลสอาสวะได้ในขณะสะดับทมจากพระพุทธเจ้าก็ให้ได้สำเร็จประโยชน์สาเร็จผลไปโดยลำหนักทำทั้งหลายจึงอยู่ที่ เฉพาะอย่างยิ่งอยู่ที่ใจการแสดงธรรมมีอะไรเป็นเ ค, เครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู่ก็มีธาตุมีขันมีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนับไม่ถ้วนหาประมาณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกร่างกายใจของเราจึงต้องแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายใน เพาะจิตหลงได้ทั้งภายนอกหลงได้ทั้งภายในรักได้ช้งได้ทั้งภายนอกภายในเป็นไปได้ภายในจิตนี้สำคัญ <S <S เมื่อทรงแสดงให้ทราบทั้งเหตุทั้งผลทั้งข้างนอกข้างในตามหลักความจริงจิตที่ใคร้ครวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยู่โดยเฉพาะอยู่แล้วต้องทราบไปโดยลําดับแล้วปล่อยวางไปโดยลํำดับ <S <S เพราะทราบความจริงนั้นเป็นลำดับ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 การอบรมในเบื้องตน้นจิตมีแต่วความว้าวุ่นขุนมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องสอนให้อบรมจิตใจให้มีความสงบสุขเพื่อจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นบาดเป็นฐานหรือเป็นรากฐานของใจพอจะตั้งตูตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในการปฏิบัติต่อไปจึงต้องสอนให้จิตมีความสงบด้วยทาบทใจก็ตา เมื่อจิตได้รับความสงบเพราะทำบทนั้นนั้นพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เริ่มพินิษพิจารณาปัญญาก็ค่อยแต่ออกไปโดยลาดับเมื่อถึงการอันควรที่จะพากจิตด้วยสมาธิภาวนาก็กาหนดดังที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องสนใจกับทางด้านปัญญาแต่อย่างใดในขณะนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำความสงบด้วย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 นี่ตอนนี้ปัญญาทวากว้างกว่ากว้างทำทวากว้างกว่ากว้างตอนนี้ปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งรู้เหตุรู้ผลในสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วหายสงสัยจิตย้อนตัวถอยตัวเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาในวงแคบก่อเมื่อพิจารณารูปตามความจริงแล้วจะไปปัวพันไปกังวลกับสิ่งอะไรอีกเล่า เท่าที่กังวลวุ่นวายอยู่นั้นก็เพราะความไม่เข้าใจจึงได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาที่ได้พิจารณาคี่ครายเห็นตามความจริงของมันแล้วก็จิตก็ถอยปล่อยกังวลเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นวงแค่เข้ามาแค่เข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะเนียนเวลานี้วงแค่ในระยะนี้วงแค่ เพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วถัดขานมีอะไรบ้างหนาดิ่งแจงลงไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาสั้งขารวิญญาณพิจารณาจนหายสงสัยในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจารณาในรูปเรื่องเวทนานก็เป็นอันว่าจะเข้าใจไปตามๆกันมากน้อย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 รูปธปาตุรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุอยู่แล้วเนยเวทนาสัญญาสังขารอุญญาตแต่และอย่างก็เป็นเพียนนามาทาปรากฏยิบยับยบแล้วหายไปในขณนะขณะจือเท้าสาระแก่งสรรอะไรจากสิ่งนี้เล่าเนี่ยปัญญาอย่างซาบเขาไปเดิมหนักคือซาบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆ แล้วก็ปล่อยวางด้วยความซึ้งอีกเช่นเดียวกันคือปล่อยอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจก็ปล่อยอย่างถึงใจเข้าใจอย่างถึงใจแคกเข้าไปแคกเข้าไปนี่แหละเห็นวิธีทางเดินของจิตที่ไปเที่ยวเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรต่างๆนานาสรางคําโดยรดับตัดทางเสือโคร่งท่านว่าในหนังสือธรรมบท ทำมาตัดทางเสือโครงออกเที่ยวหากินท่นวะคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางยิ้นทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้องตามรูปตามเสียงผีนกเครื่องครื่องผัดที่นี่ก็ออกมาเที่ยวตามรูปตามเวทนาสัญญาทางขานวิญญาณค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโครงเสือดาวมันเที่ยวตามนี่ท่านวะแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดทางเข้ามาจนกระทั่งเอาเข้าใส่กรงเดียวอืะ เข้าใส่กลงคือเข้เขารวมตัวในจิต ด, ดวงเดียวเท่านั้นพิเรศ อ, อาสะวะทั้งมวลรวมลงในจิต ด, ดวงเดียวเนี่ยตัดขาดไปหมดกลิ่นกาลสาขาตัดไปหมดเหลือแต่จิตอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวเอาจิตมาแต่ว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลายเอาจนแหลกกระจายภายในนั้นอืม มันกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นวัตจักเหมือนลูกพุ่บอลนี่แล้วเตะซะจนแตกกระจายด้วยปัญญามั น, นจิตที่เป็นสมมุติแตกกระจายไปจิตที่เป็นสมมติก็แสดงตัวอย่างเต็มที่ทําไมถึงว่าจิตที่เป็นสมมุติจิตที่เป็น ม, มุ่ดมันเป็นจิตสองดวงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจิตดวงนั้นแหละที่มีสมมุติ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 ความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความป่องใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใครบรรดาท่านผู้มีจิตที่มีความสงบเป็นฐานในสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในถ้ำกลางอกนี่จริงๆทีนีเ้เวลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้ว พูดไม่ได้ว่าอยู่เบื้องบนเบื้องล่างอยู่สถานที่ใดเพราะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นความรู้ที่ล ะ, ละเอียดเหนือสมมติใดๆทั้งหมดแม้เช่ น, นั้นก็ยังเอาสมมุติมาพูดว่าละเอียดสุดนี่ซึ่งไม่ตรงต่อความจริงเลยคําว่าละเอียดสุดนี่ก็มันก็ต้องเป็นสมมุติอันหนึ่งนี่อันแต่อันนั้นไม่ใช่สมมติเลย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 จิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์แต่ละอย่างๆส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่มีคำว่าปรมังสุขขังไม่ใช่สุขเวทนาดีธรรมะนิพพานังปรมังสุขขังพรนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคําว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนา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 ความอี้จังทุกหน้าตาเข้าไปแทรกในปรังมังสุขังนั้นไม่ได้นิพานเที่ยงปรัมังสุขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันหนวานนิพานเที่ยงปรังมังสุขังก็เที่ยงปรัมังสุญญ์ยังก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรแยกอะไรก็แยกไปได้ถ้าผู้ที่รู้ผู้เข้าใจประจักษ์ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันด่างคาผิดวันด่างคำ ไม่มีทางถูกเพราะจิตไม่ถูกพูดออกมาจะถูกตามอัดตามรำเพียงไรก็ตามแต่จิตพู้แสดงตัวออกมานั้นไม่ถูกแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไรเหมือนั่งเราเรียนคำว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรังสุางเรียนจนติดปากก็ตามจิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันถูกไปไม่ได้เมื่อจิตไม่พาถูกเสียอย่างเดียวอะไรจะถูกไปไม่ได้นั่น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 ไม่ทรงสั่งสอนอะไรต่อไปอีกหมดสมมติหมดบัญยัติหมดทุกประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปอีกเป็นจุดที่มุ่งหมายอย่างเต็มที่แล้วหรือเต็มภูมิของจิตของธรรมแล้วในเวลาจะปรินิพานทรงแสดงพระโอาวาทเรียวกว่าปัดฉีมาโอวาทนะฮันดันดาในพระเอมันตยามิโว พระธรรมาสร้างขาราบมาเ ด, ดนะสัมปาเดธายุคนะก่อนไปสู่ทั้งหลายผุดนะยอ่อเธอทั้งหลายจงพิจารณาสัางขารที่จเจริญขึ้นแล้วเส่มไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเธอนะเท่านั้นแล้วปิดพระโอษฐ์ในพระโอวาทที่เป็น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 ปักชิมโอวาสนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ปรุงอยู่ภายในจิตวกวนจิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความหนักแห่งสังขารอันนี้ด้วยความรประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสังขารอันนี้ครอบโลกธาตุหาเราจะแยกไปสังขารภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไร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 ไม่ถึงภูมินั้นสนิทก็ทราบชัดเจนพาอกำลังพิจารณาอยู่แล้วเหมาะสมกับโอกาสด้วยร่ำเวลาที่พระองค์ประทานพระโอวาทเพราะเหตุใดเพราะปกติของจิตที่ได้พิจารณามีภูมิธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้ว สังขารยงเป็นจะเป็นเรื่องสาคัญมากเป็นสิ่งสงคัญมากต่อการพิจรารณาเพราะอันนี้แสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแสดงอยู่ทุกระยะภายในจิตจิตที่พิจารณาทำขั้นภายในแล้วจะต้องถือสังขารเป็นป้าหมายแห่งการพิจรารณานี่จิงเป็นเรื่องที่ว่าเยี่ยวเนื่องถึงกันกันกบประชิมประชิมโอวาอย่างยิ่งทีเดียว ที่จะควาำอาวิชชาให้ล่มจมลงไปก็ต้องสืบทอดไปจากสังขารตัวปรุงอยู่เรื่อยๆที่ได้รับความผลักดันมาจากอาวิชชาให้แสดงตัวนะพอกำหนดตามลงไปตามลงไปก็ไปถึงรากเหง้าเข้ามูลของทิ่เหล็กทำลายท่ารแสงไปสังขารอันนี้ก็มีมีความหมายอะไร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 หรืออยู่ในธาตุในขันในจิตใจของเรานี้ทั้งฝ่ายกิเลธทั้งฝ่ายมรรคทั้งความบริสุทธิ์มีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยโน้นที่โน้นกับคนโน้นคนนี้ดูกับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้พินิพิจนานอยู่เวลานี้เพราะเห็ุใดเพราะเราต่างคนต่างมุ่งต่ออัตตตธรรมมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับ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 ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่านิพพานังประมัง n ุ s ข, ขังจะไม่พ้นไปจากหิตดวงรู้นี้เลยยังข อ, อยุติเพียงเท่านี้